ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้จะพูดเรื่องในอุทานสืบต่อจากที่ได้กลราวไว้ในวันก่อนคือในอุทานนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงปรารบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วทรงเปล่งเป็นรูปของพระพุทธอุทาน แต่ก็ไม่ได้เจตนาที่จะสอนคนผู้นั้นโดยตรงอย่างในกรณีของพระกังขาเรวัตที่พูดไว้ในวันก่อนโดยเห็นว่าก็ส่งส่งสะท้อนจิตใจของพระกังขาเรวัตออกมาว่ามีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้น เป็นรูปของการยกย่องสรรเสริญพระสูตร ต, ต่อไปนั้นเรียกว่าอนันตสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยคำกราบทูลของพระอ น, นุ์แต่ว่าพฤติกรรมจริงๆเป็นเรื่องของพระเทวทัตคือคราวหนึ่งพรเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันกลลันทกะนิวาปะสถาน ก็พระนลท่านไปเช่ดบินธบาตในตอนเช้าก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้วันก่อนนะว่าคือแปลกท่านจะให้รายละเอียดก่อนที่จะออกบินธบาตเชื่อว่าหนุงนุ่งห่มผ้าอุตราสงหนุ่งห่มผ้าอันตรวาสศกคือสบง แดีวก็ถือบาทและจีวร อ, อันนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าใช้คำว่านุ่งห่มแล้วแล้วก็ถือบาทจีวรเข้าไปบินด บ, บาทในกรุงราชชุกซึ่งก็หมายความว่าโดยความเป็นจริงแล้วต้องหยุดทมจีวรในที่ใดที่หนึง่ง แต่ก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าในสมัยนั้นพระเวรุวันกับกลุ่มรัชชครืเนี่ยมันมีป่าขวางอยู่เพราะเราพบข้อความในที่อื่นนะฮะว่าเจนต น, นาณาธบินิกาเศรษฐีมาควาพระพุทธเจ้าที่สีตะวันซึ่งก็อยู่ติดกับพระเวรุวันก็ผ่านป่าเหมือนกันมันพระอนุลท่านก็ ตือบาทและจีบอลพอเข้าเขตเมืองก็หยุดโหมจีบอลเรียบร้อยแล้วก็อุ้มบาทเข้าไปบินทบาทแสดงว่าต อ, ตอนเดินออกไปนั้นก็เป็นป่าก็นุ่งเฉพาะสบงมันเป็นเรื่องยุคสมัยเป็นเรื่องยุคสมัยก็กทำให้เราเห็นลักษณะทางสังคมนะฮะลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ก็าทาให้คิดอะไรต่อได้เยอะคือจินตนาการตรอไปได้เยอะวันนั้นเป็นวันอบุบสรท่านเดิมบินธบาทก็ไปเจอกระเพรทวัทตน์ตอนนั้นประเทวทัตนอยังท่านก็บวนพระพุทธเจ้ามาจนถึงปล่อยช้างนาราคีรีนะฮะก็แสดงว่า คือตอนท่านทำอะไรพระเทวทัตเนี่ยท่านทำหลายเรื่องคือใจความโดยสรุปว่าคือถ้าเราดูตอนที่ท่านบวชเนี่ยมันก็บวชเรียบร้อยดีนะแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรทางจิตได้บรรลุอภิญญาราโลูกิยะหมายความว่าอภิญญานั้นก็มีหกท่านก็ได้บรรลุห้าข้อ ข้อแรกในสำคัญคือมีอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เอาขนาดราษาธีบุญยกๆหนะ่ะว่ามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแล้วก็ท่านก็ใช้ฤทธิ์ของท่านนี่แหละไปในทางผิดแล้วก็เสื่อมจากฤทธิ์คือประกายความคิดที่เราก็นึกไม่ออกนะว่า ทำไมท่านยังคิดอย่างนั้นคือมาเริ่มต้นจากตอนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เสด็จไปที่เมืองไผลสัลีแล้วก็ประชาชนก็แห่แหนกันมาต้อนรับพอต้อนรับก็ถามข่าวถึงพระองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นมาไหมมาไหมมาไหมเนี่ยพอร่วมมาก็จะไปหากันก็แยกไปกลุ่มๆไป แต่ที่แปลกก็คือไม่มีใครถามหาพระเทวทัตพระนนท์พระอนุรุตพระภคุพระพัติะยะพระกิมพิละพระเทวทัตเอ่อพระกิมพิละพระบาลีนะฮะคือบางครั้งพระ อ, อกบวชกันคราวนั้นเนี่ยทั้งหมดก็เจ็ดหรูปเขาก็ถามถึงทั้งหมดพระบาลีก่อนจะออกบวชมีฐานะเป็นเพียงช่างกระระบบต่นนั้น แต่ว่าบทแล้วท่านก็บรรลุมรผลเป็นประหานไปก่อนนะก็เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนประชาชนเขก็ถามหาทำให้ท่านคิดน้อยใจแล้วก็แทนที่จะตรวจสอบตัวเองเออทำไมเราเขาจึงไม่ถามหาทำไมจึงถามห า, าเฉพาะคนอื่น เมื่อต้องดูว่าเรามีปัญหาอะไรไอ้ตรงนี้ประเด็นหลักที่หน้าที่หน้ามองอย่างหนึ่งก็คือคนเราขาดการตรวจสอบตัวเองขาดการวิเคราะห์ตัวเองเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวก็จะโยนลูกออกนอกอยู่เรื่อยเหมือนก่อนฟังเขาอะไรอ่ะโหนโหนเขาถกเฉียงกันในเรื่อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับท่บบาน น, ทนนายกอะไรต่รนะตางๆเราฟังดูแล้วก็ฟังดูแล้วก็แปลกอะ่ะคือหมายความว่าอะไรๆก็ไปโยนออกข้างนอกไปดาวไปเดิไปอะไรไปยุ่งไปหมดเลยเกิแทนที่จะมองโดยหลักว่าความดีความชั่วที่เกิดขึ้นแก่คนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนเอง อย่างนี้พระเจ้าทรงแสดงมาเลิกดียามดีขณะดีครู่ดีเวลาดีเมื่ออยู่ที่การกระทำดีเธอทำดีเวลาไหนเธอก็ดีเวลานั้นแหละนะเลิกดียามดีครู่ดีขณะดีอย่างที่เชื่อกันถ้าเราทำชั่วเนี่ยเราก็ดีไปไม่รอดแต่ก็ต่างคนต่างก็พูดนะแล้วก็ดูแล้วก็ไม่เคยตรงอะไรกันเท่าไรแลวปุรนุทายโหนก็เถียงกันเอง เร่อนี้คือความคิดตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถสืบสาวไปหาสาเหตุของปัญหาได้เพราะว่าเราจะโยนสาเหตุปัญหาไปอยู่ข้างนอกเปะะั้นพระเทวทัตจึงเป็นแบบนะเป็นแบบที่ควรแก่การศึกษาเป็นบทเรียนที่ควรแก่การงดเว้นว่าถ้ามีปัญหาแก่เราเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาที่เราเรียตั้งโจทย์ให้ผิดคือท่านตั้งโจทย์ผิด พอท่านตั้งจุดผิดท่านก็แก้ปัญหาผิดคือท่านไปคิดว่าอาการที่คนถามหาพระพุทธเจ้ามาเคารพนับถือพระพุทธเจ้าก็เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ลืมมองมาพระรูปอื่นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทาไมเขาจึงนับถือละ่และแต่ท่านก็ วางแผนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มลงทางนะฮะคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาแหน่งนะฮะไม่ใช่ตาแหน่งที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งแต่วิญญาณเป็นผลมาจากการจัดสรู้พุทธะนี่มันเกิดขึ้นจากการจัสรู้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งเกิดขึ้นในการสถาปนาหรือมอบหมายหรือไปยื้อยัง่ง นะท่านก็เคยคิดวางแผนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองมันก็แสดงเห็นอย่างหนึ่งว่าจิตที่มันขึ้นไปถึงโลกิยอภิญญาเนี่ยเพี้ยนได้นะแล้วก็แปรผันได้ฝันอย่าถึงวางใจตามปกติเราก็วางใจอะไรง่ายเกินไปนะนึกถึงว่าจิตระดับภิญญาเนี่ยเพี้ยนนะไม่ใช่เล่น อิสิปัตนะมฤคธายวันอิสิปัตนะเนี่ยแปลว่าเป็นที่ตกไปแห่งฤาษีพวนี้ก็ได้พิญญาเหมือนกับพระเทวทัตใช้อิทธิวิธิแบบเทวทัตแต่ว่าคนใช้คนละแนวกันฮะพนี้ใช้อิทธิวิธิคือเหาะเลื่อนลอยมาเบื้องเบื้องนาภากาศ แต่เลื่อนลอยเหนือยอดไม้ต่ำๆนะฮะไม่ใช่ว่าเลื่อนลอยปานเหนือเมฆอะไรก็ไ <você> ด <viu personagem noise> ้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเกิดกำนัดเกิดราคะจานเสื่อมพอเห็นรูปเกิดราคะเกิดราคะในเสียงกับในรูป ให้อสังเกตนะฮะพระเทวทัตเนี่เกิดโลภในยศในตำแหน่งในความฉันเซินเพร่อนุ้ยเจ้าจึงทรงแสดงว่ากิเลสพวกเนี้ยนะโลโพธรรมนังปริบันโถวความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมต่างหลายพูดง่ายๆว่ากิเลสเนี่ยเป็นอันตรายเป็นอันตรายแห่งทุกเรื่องอันนี้เลยก็กลายเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า มันเป็นบทเรียน น, นะนะบทเรียนว่ารุษีที่เหาะเลื่อนลอยมาเบื้องนาภากาดเนี่ยปฏิบัติทางจิตมาขนาดนี้แต่ว่าถูกกระแทกโครมเดียวในพังเลยก็เสียงผู้หญิงผู้หญิงเก็บดอกไม้ในป่าก็คงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามอะไรนะก็คงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชาวป่าได้ทั้งไป แต่ก็ท่านเกิดพอใจติดใจได้เพรา ะ, ะนั้นก็จะทอดไีอย่างหนึ่งว่าไอ้ฌานเนี่ยมันเป็นการกดกิเลสโวยเฉยๆเพราะอย่าลืมาพิญญามาเป็นผลของฌานเป็นการสยบ ก, กิเลสไว้โดยก็เรียกวิคัมพณะปะหานคือละด้วยการสยบไว้กดไว้เหมือนเอาสีลาทับหญ้าไว้แล้วก็เสื่อม มีลูกสิธิ์พระมหากัตสปะคนหนึ่งได้ฌานเหมือนกันแบบเทวทัศเนี่ยฮะแต่นี่ไปพอใจในผู้หญิงก็คล้ายๆกันหรือสิพอใจในผู้หญิงเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกของลุงไปบินทบาดไปเจอลูกสาวของลุงชอบใจอยากได้ฌานเสื่อมศึก เพื่อจะไปแต่งงานกับผู้หญิงขย่าเขาก็ไม่ยอ ม, มนะฮะผลท้ายต้องไปเขาผานสมาคมกองคนไม่ดีลากพากันไปจะเป็นโจรไปไปดูทางให้โจรแล้วก็ไปปล้นชาวบ้านเขาถูกชาวบ้านก็จับได้ถูกเสียบ ป, ประจานนะฮะถูกเสียบ ป, ประจานไว พระมหากตาป่าท่านก็ไปแนะคือไปเยี่ยมถูกเสียบอยู่ก็เยี่ยมแล้วก็บอกว่าให้หัวรำลึกถึงวันก่อนๆทันย้อนไประลึกถึงจานจเจริญส ม, มะถะกรรมฐ า, านเพลิเพล ย, ยนพรวดเดียวกันนะฮะไปพักเดียวได้กลับมาที่อพิญญาเหมือนเดิม แต่เหาะเลื่อนลอยจากหลาวที่เสียบอยู่นี่ไปขอบวชใหม่ต่อมาว่าเป็นเพียรบรรลุมรควนเป็นพระหานะฮะราใจนกเผลอขนาดนั้นนะคนบา ร, รมีขนาดนี้ยังเผลขนาดนั้นดังนั้นจะวางใจอะไรทั้งหมดะดาบใดที่เรายังไม่ถึงกระแสนิพพานเนย่าวางใจอะไรทั้งหมดวางใจไม่ได้ไต้องพูดถึงคนอื่นนะใจเราเองเราก็วางใจไม่ได้ ในกรณีนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งว่าพระเทวทัตพอท่านเริ่มเริ่มคิดผิดตั้งโจทย์ผิดมันก็ผิดหมดมันเป็นมิจฉามทกไปล้วอยู่มาความท่านเห็นผิดท่านก็คิดผิดทั้งก็พูดผิดทั้งก็ทําผิดทั้งก็เลี้ยงชีพผิดทั้งก็พยายามผิดทั้งระลึกผิดทัานตั้งจิตมั่นไว้ผิดผิดหมดเลยทั้งแถว ในช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่ถึงเสื่อมช่วงที่คิดเนี่ยยังไม่ถึงเสื่อมแต่ว่าช่วงที่ใช้อิทธิฤทธิ์ไปเพื่อหาพวกสแสวงหาพวกแปลงตัวเป็นมนุษย์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าอภิญยาห้าเนี่ยนิรมิตร่างกายเป็นอย่างอื่นได้แล้วก็มีอยู่หลายแหง่ง แต่้าหกแล้วก็แน่นอนนะฮะห้าก็ทำได้แสดงว่าห้าก็ทำได้เพราะว่ามีวิธีวิธีแล้วก็ไปกล่อมพระเจ้าอาชา ต, ตรูรซึ่งเป็นราชกุมารนหนุ่นมๆขาดประสบการณ์ในการวินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆหนุ่มนาจิตใจใช้ใจรักนะฮะ ที่จริงกขาชัดใจรักเลยบวรราชเจกุมารแต่ก่อนน่ะคนอายุเขา ย, ยืนวันนี้คนอายุไม่ยืนหรอกวันดราชเจ้ากุมารอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องรีบเป็นต้องพยายามเป็นให้ได้จนในที่สุดเนี่ยพระจุามานเชื่อแล้วก็พกดาบเข้าไปเพื่อจะ ปรงพระชนพระเจ้าพิมิสารเพื่อแย่งและเจริญสมบัติพระเจ้าพิมิสารพอรู้บอกโอ้ยไม่ต้องปรองลูกจะเอาพ่อเอาเลยเอาเลยพ่อให้เลยไม่ใช่สมบัติก็จะให้ลูกนั่นแหละที่จริงมันน่าจะอยู่ตรงนั้นนะฮะท่านก็นไปลากลูกถูกลังไปจนไปยุให้พระเจ้าชาติศัตรูข่าพ่อไปเลยแต่ตัวเองก็ไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าหลายครั้ง ตอนจ้างนายขมังธนูเนี่ยไม่มีใครรู้คือรู้ระหว่างท่านกับ น, นายขมังธนูกับพระพุทธเจ้าแต่วิธีคิดของท่านไม่ฉลาดอะ่ะคือจะด้วยคนคนแปลกนะฮะคนแปลกเป็นราชกุมารที่ศึกษาจบมาก็คงจะตักศิลานะฮะแต่ว่าท่านคิดวางแผนในไหนคิดเชยๆยังไงชอบคน่ะ คือท่านให้นายขมังท่านูมหนึ่งคนเนี่ยฆ่าพระพุทธเจ้าโดยท่านลืมไปว่าพระพุทธเจ้าสมมติพระพุทธเจ้าเป็นราชกุมารอยู่เนี่ยมันก็ถ่าไม่ได้จะชาติทิฏฐาเล้กก็จบศิลปศาสตร์น ะ, ะนนแล้วเคยเอาชนะพระเทวทั์มาแล้วด้วยตอนประลองอาวุธกั น, นแต่ท่านก็คิดแปลก ก็ทาําไปนึกถึงซุนบูที่ว่ารู้เขารู้เราอันี้ท่านท่านไม่รู้เขาแล้วก็ไม่รู้เราด้วยแล้วก็จ้างนายขมังธนูสองคนเนี่ยให้คอยดักฆ่าหนึ่งคนจ่ายนางจ้างนายขมังธนูสี่คนให้ดักฆ่าสองคนแล้วจ้างนายขมังธนูแปดคนให้ฆ่านายขมังธนูสี่คนแล้วท่านไปรออยู่ปลายทางจะฆ่าคนแปดคนอย่างนึกก็เออ คิดตลกดีไงท่านมีความสามารถยังไงถ้าท่านคิดจะฆ่าปิดปากทำไมท่านไม่ฆ่าตั้งแต่คนแรกทำไมต้องจ้างไงมันมากเรื่องมากราวอย่างนั้นก็ไม่รู้เจ้าก็เสด็จไปโปรดคนแรกแล้วก็ให้หลบไปทางอื่นแล้วก็เสร็จไปโปรดคนที่สองแล้วก็ให้หลบไปทางอื่นเสร็จไปโปรดชุดที่สามนะฮะ อาความผู้เจ้าเสด็จโปรดชุดชุดหนึ่งคนชุดสองคนชุดสี่คนแล้วก็ชุดแปดคนให้แยกย้าย ก, กันไปในทางทิศอ่นหมดเทวทัศน์ก็ไม่บรรลุเ ป, ป้าหมายก็มาใช้วิธีขอขอพอร ให้พระนั้นนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเที่ยวบินธบัตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อขอห้าขอ้อก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ประทานพุทธานุญาตเพราะอะไรเพราะว่ า, าบาง่อนก่อมีคนถามเรื่องนี้มาเหมือนกันบอขอให้ช่อตอบ คือไม่รู้ไม่รู้จะให้ตอบทางไหนนะฮะที่จริงก็ถ้าบอกสถานีวิทยุมาหรือบอกรายการโทรทัศน์มาเราจะตอบให้เขียนตอบก็คงไม่ไหวอ่ะเขียนปัญหาตอบคนแต่ละคนเนี่ยคงจะยากแล้วก็เรื่องมันไม่ค่อยได้สาระถามเรื่องมังสวิรัตไม่มังสวิรัตเนี่ยคือพระเรานี่มันเที่ยวบินทาบาจากชาวบ้านเขา บนหลักตัดสินวัฒมวินัยข้อสุดท้ายนี่ส่งสอนว่าทําใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินยัยนั่นเป็นคําสอนของาศาสดาคือพระต้องอยู่ง่ายกินง่ายนะก็ให้ฉันอะไรก็ฉันไปไปยังอัตภาพไปเป็นไปเขาเรียกวิาญาณไน้อมตงังก์ก็ยังอัตภาพไปเป็นไปเพราะงั้นตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ประทานบุทธานุ ญ, ญาต ท่านกา็สรางก็เป็นเงื่อนไขนะให้พระหนุ่มๆซึ่งบวชใหม่ว่าดูซิว่าเรากับพระส ม, มณโคดมท่านที่จะเรียกวัดพระเจ้าเรียกส ม, มณโคดมเลยนะคำเริ่มไม่จะเล่นนะเออใครเคร่งครักกว่าพระหนุ่มก็ตูกหลอมเห็นเออท่านเทวทาติเคร่งกว่าพระพ่ธเจ้า เลยหนีตามพระเทวทัตไปตั้งกองอยู่ชี้ขยาศีรษะที่พระเจ้าทรงแสดงอธิตตาพระยายสูรตรตอนนี้ภาษาลิบุตรพระพุทธเจ้าสรงภาษาริบุต ร, รพะ ร, ะาา ร, ต ร, ระโมกคลานะให้ไปนํากลับมาภาษาบุตรท่านก็เก่งนะฮะภาษาบุตรพระโมกคลานะท่านก็เก่งทั้งคล้อยตามพระเทวทัตในตอนแรกเทวทัตตั้งตัวเป็นสัสดาแล้วตอนนั้นตั้งตัวเป็นสัสดาแล้ว ท่นตัตย์สดาแข่งกับพุทธเจ้าละพอเห็นพระสารีบุตรพระโมกคลานะไปเนี่ยท่านบอกประกาศกับลูกศิษย์นี่ยเห็นมไหมสารีบุตรโมกคลานะเนี่ยจะมาเป็นอาักส า, าวกของเราละไปถึงก็ให้ไปสารีบุตรนั่งข้างขวามือพระโมกคลานะนั่งกันซ้ายมือลูกศิษย์ห้ามปรามยังไงไม่เชื่อแต่สารีบุตรท่านเป็นพระหันเนี่ยพระโมกคลานะท่านเป็นพระหรันท่านก็ไปว่าอะไร เสร็จแล้วก็ให้ภาษาลิบุตรเทศเตะแทนภาษาริบุรรตรกุเทศตัวเองก็เข้าไปนอนหลับศาสดาไปหลับเสร็จ แ, แล้วศาสาดาเทวทัตเป็นหลับเสร็จแล้วภาษาริบุตรกเทศชี้แจงแสดงเหตุผลต่างๆให้พระเหล่านี้ฟังแล้วก็บรรลุมรคผลนะครับท่านนํากลับมาแบบเขินหน้าปากกาต์กายกับฝูงหงชิบินมาในอากาศส ง, ง่า ง, งาม พระเจ้าก็ส่งยกย่องภาษารีบุตรแล้วเรื่องก็ส่งแสดงเรื่องคุณสมบัติของทูตไว้แปลข้อเดี๋ยประรบประรบเรื่องตรงนี้ก็ต่อจากนั้นเข้าใจว่าตรงนี้มันน่าจะเห็นะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หลังเพราะตอนนั้นท่านป่วย คือคือ ท, ที่ท่านเล่าเนเราก็ไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังแต่ดูแล้วเนี่ยคาย่ค า, คาจะน่าจะที่หลังเพราะว่าโกการิกก็เข้าไปแล้วก็ไปอัดอัดเข่าใส่ท้องของเทวทัตกโกรธว่าไปคบหาก็ไปสารีบุดภาษารีบุ ร, ร, บรนำบริวารกลับไปหมดแล้วเทวทัตนอนหลับอยู่เทวทั ต, นนททตก็เสียใจด้วยแล้วก็เจ็บที่โดนอัดด้วยหรือก็ป่วย แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งคือตอนที่กลิ้งขึ้นไปกลิ้งหินให้ทัพพระพุทธเจ้าที่เป็นเหตุให้เกิดโลหิตุปบาทเนี่ยก็คงจะทีหลังการส่งการส่งนายขมังธนูนะฮะแต่ว่ากรรมของท่านที่ปรากฏเนี่ยปรากฏตอนปล่อยช้างนาลาคีรีประจ้างนาลาคีรีท่านปล่อยกลางเมืองราชคชึกเลย แสดงว่าท่านก็อยู่ในแวดวงของอังคากรรมคตนอังคากรรมคตเพราะว่าอะไรล่ะกุติของท่านกุติพระเทวทัตเนี่ยเป็นเครียสโตนเฮาเป็นกุติที่ทำได้หินทุกวันคนก็ยังไปแล้วก็ไปถ่ายอุจจาระไปถ่ายปัสสาวะใส่ ก็แปลกนะตั้งสองพันกว่าปีแล้วคนยังเกลียดเธอเลยก็ปล่อยช่างนาลาคิรีเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าเวลาบินธบาทแล้วก็เตรียมตักบาทกันบนเส้นทางนะเพรา ะ, ะ น, นผู้เจ้าเสด็จเนี่ยก็คงจะเป็นข่าวเป็นข่าวไปก่อนเพราะคนคงเห็นอะไรบ้าง เพทําให้คนมาชุมนุมรู้กันกเ็เป็นมอมเหล้าเอาช้างสึกกับพระเจ้าชาติตรูมามอมเหล้าตั้งสิบหกไข่นะให้กินเหล้ า, มาเมาเต็มที่เลยช้างนาลาคีรีแล้วปล่อยมาให้แทงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตื่นตรหนกอัตกระถานเล่า ว, วิ่งหนีหมดก็ดูแล้วไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นะคือวิ่งหนีหมดก็เกินไปอ่นะะ กลัวอะไรกันขนาดนั้นกลัวช่างเชื่อเดียวขนาดนั้นก็เสียเชิงหมดแต่ว่าต้องการจะเน้นความโดดเด่นของพระาณนุลเท่านั้นเองเพราะว่าพระเหล่านั้นนะ่ะท่านรู้อนุภาพพระพุทธเจ้าคือว่าเวลาเราพูดอะไรพระรัตถาจารย์อะไรท่านพูดเพลินๆไปท่านลืมไปว่าพูดถึงพระพุทธเจ้าพระเขารู้พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อนุภาพของพระพุทธเจ้าเขาไม่หนีหรอก นะแต่ว่าอาจจะยืนก็ยืนแบบพระนะยืนแบบพระเพราะเห็นว่ามันปัญหาเหล่านี้พระเจ้าท่านแกงท่านเองอะ่ะแต่พระนลจะตื่นเต้นเพราะว่าท่านเป็นพระโสดบันท่านก็ไปขวางช่างนาราคิรีไว้พระพุทธเจ้าทราสั่งถามทํามะเรอนอนีนนะลจะขอสละชีวิตเพื่อปกป้องพระภูมิพระภาคเพราะว่า การดำรงอยู่ของพระผู้มีพภาคนั้นจะเป็นประโยชน์เกือกเก้อกูลแก่โลกตลอดกาลนานเพราะนท่านก็ขอตายแทนพระเจ้าก็รับสั่งให้ถอยกลับมาก็ขอยช้างก็ทำอะไรพรองไม่ได้หรอกในสุดพระพูธเจ้าก็คืออัตถกาถาจาร์เนี่ยท่านท่านเรียกเรียงเรียบเรียงเป็นว่าพระเจ้ า, าทรงใช้เมตตา ซึ่งก็ไม่พบในที่อื่นว่าคือตามปกติแล้วเมตตากับกรุณาเนี่ยผู้เจ้ามีกรุณานะะเป็นกรุณามานโวเมตามันใกล้าราคะพระเจ้าขเขารูปเจ้ามองคนด้วยความสงสารมองสัตว์ด้วยความสงสารอย่างเดียวไม่ได้มองในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายละมองด้วยความสงสารที่เขาอยู่ในห่วงของความทุกข์พระองค์พ้นจากทุกข์แล้ว ก็ต้องการช่วยคนนั้นหุหูพ้นจากความทุกข์ตอนก็เป็นการุณาคนก็เห็นประชาชนก็มีประชามติเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนในพระเจ้าชาตตรูก็ธนุบ่มรุงประชาชนโกรธมากเลยปล่อยช้างคราวนี้ทำให้บอยขอดไม่ยนตักบาทไม่ยนถวายอาหารแล้วก็เล่นงานพระเจ้าชา ต, ตรู ว่าเป็นพวกเดียกับพระเทวทัตพระเจ้าตรูก็ท่า น, น ก, ก็นกรู้เหมือนกันท่านก็ถอนตัวยกเลิกสํำนับท่านส่งสำนับถวายพระเทวทัตวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งห้าร้อยชุดนะครับมาส่งในแนวไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้าร้ยชุดนี่ไม่ใช่เล่นนะค่าใช้จ่ายวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแสดงว่าต้องสิ้นเปลืองพระราชทรัพย์ไปเป็นอันมากในที่สุดเนี่ย แต่สรุปว่าตรงนี้กับตรงที่ปล่อยช้างนาราคิรีเนี่ยก็ไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังนะแต่เราดูแล้วเนี่ยมันมันน่าจะนาคังถั น, นูแล้วก็กลิ่งหินแล้วก็ปล่อยช้างนาลาคิรีแล้วก็ประกาศแยกตนเป็นสังกเภท หมายความทำโลหิตุบาทก่อนแล้วก็สังกเภทแล้วก็นำพระแยกออกไปตัวเนี้ยเป็นสังกเภทแต่ประกาศแต่ประกา ศ, ป ร, กาศประกาศก่อนแต่ท่านก็ทำในวันนั้นอ่ะทาในวันนั้นทีนี้พระที่นำแยกเนี่ยมานํำแยกจากการขอพรรือแสดงความเคร่งก็ ก, ก็ก็หมายความว่าตอนนั้นท่านคงจะแยกไปแล้ว พระนรมากราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบพุทธเจ้าทรงปริงพระพุทธอุทานภาษิตข้อนี้เราได้ยินกันบ่อยนะว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่ความดีเนี่ยคนชั่วทำได้ยากความชั่วเนี่ยคนชั่วทำได้ง่ายแต่ความชั่วเนี่ยพระเรียเจ้าทั้งหลายทำได้ยาก ปัญหาสำคัญว่าทําไมจึงใช้คํามาทําได้ยากแต่ตามปกติแล้วพระร ย, ยาท่านไม่ทําแต่พอดีกรอบของคําว่าพระรยเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่พระโสดาบันไปพระโสดาบันอาจจะละเมิดพระวินัยระดับที่เป็นปณติวัชชะคือหมายความระดับที่ไม่ถึงก็ต้องตกนรกต้องเสเวยผลบาปอะไรเนี่ยเป็นวนัตเป็นเป็นเป็นเกรปณตวัชชะเช่นเช่น ไปเก็บดอกไม้เพื่อจะบูชาพระเนี่ยชาวบ้านเก็บดอกไม้ก็ไม่ไม่ได้ผิดศีลอะไรนะฮะแต่พระไปเก็บเนี่ยจะปรับบาจิตีแต่ว่าไม่ใช่โลภกะกชาคือไม่ใช่เป็นโทษทั่วโลกนะฮะคื อ, อย่งนึกไว้โลภะชาเนี่ ค, คนคนแปลว่าโทษโท ษ, โ ท, ษทั้งโลกผิดทั้งโลก พระเวยียนี่เราเอามาใช้กันเปรอะแม้หนังสือและราชการทั้งหลายเนี่ยใช้กับว่าโลกวัาาจฉะเจริมาพระไปยืนรอบินตบาตอ่ยเป็นโลกวัจฉะพระไปอะไรล่ะไปที่พันทิย์อะไรก็ก่อนเนี่ยรือก็โลกบัจฉะมันก็มากไปอันนี้ไงว่าชาปเลยว่าโทษนะว่าชาปเลยว่าโทษหมาความว่าเป็นความผิดสา ก, กลผู้เ ง, งานเป็นความผิดสา ก, กลพระโสดบันไม่ทํา ทีความชั่วเนี่ยบางอย่างมันไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดสา ก, กลบางอย่างมันเป็นความผิดสา ก, กลก็อยู่ที่กลุ่มคนอย่างที่บอกเนี่ยพระไปเก็บดอกไม้ผู้วิชาพระเนี่ยก็เป็นความชั่วแต่ไม่ใช่สา ก, กลคือไม่ใช่ชั่วสมักคนทั้งหลายพระก็สรงชายเพียงว่าพระนิเจ้าทําได้ยากซึ่งคําเนี้แปล ว, นะว่าไม่ทําก็ได้นะแปลว่าไม่ทําก็ได้แต่ว่า บางทีท่านก็แปลว่าทําได้ยากหรือว่าเหมือนกับบุญโจรนำไปได้ยากบุญยังโจเรหิดูหรังนะฮะบุญโจรนำไปได้ยากก็คือทูตในแปลว่าชั่วก็ได้ยากก็ได้นะก็บอกว่าปาปะมะริเยหิทุขะดัง ทวนกรรมยชั่วนั้นอันพระเจ้าทั้งหลายคือบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทําได้ยากคือไม่มีความยินดียิ่งเป็นแดงเกิดหมายความว่าท่านไม่ยินดีในกุศลในในใ น, ในบาปในกุศลทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้เมื่ก็เห็นอีกอย่างหนึ่งนะว่าคําว่าความดีความชั่วเนี่ยสามารถทได้ง่ายและทําได้ยาก ปัญหามันไม่อยู่ที่ที่ตัวความดีหรือความชั่วแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวผู้ทําคือปัญหาว่าใครทําอ่ะยังคล้ายๆก็ถามว่าปรุงอาหารนี่ยมันง่ายหรือยากอะ่ะแล้วถามว่าใครปรุงะคือคนบางคนมันเรียกง่ายมากคนบางคนก็เรียกว่าพร่ำกันเหมือนก็เสือกินเต่าจะทําไม่ได้ มันความชั่วเนี่ยมันต้องมีเชื้อของความชั่วอยู่ภายในใจเวลาเขาจะทำเขาจะพูดเขาจะคิ ด, ดมันง่ายมันง่ายสมหรับคนเหล่านั้นวันก่อนเนี่ยอ่านข่าวอะไรเขาประชุมแล้วเขามีมติร่วมกันรู้สึกจะหกเจ็ดข้อถึงความตกต่ำทางสังคมเนี่ย แค่ๆเขาว่ า, าวาโรคนะโรคโรคในบ้านในเมืองหนึ่งก็โรคความตก ต, ต่ำทางศีลธรรมออสองสองโรคสังคมนะสามโรคอ้วนสี่โรคอะไรถ้าภาพเป็นล้ อ, มอไม่ได้แต่อะไรต่างๆนี่ว่าเยอะนะยหลายๆข้อริงนึก เ, เราไม่เข้าใจอะนะ เราไม่เข้าใจว่านั้นคือโรคทางศีลธรรมเป็นความบกพร่องทางศีลธรรมทั้งหมดเลยปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองไม่ต้องไปนับหรอกปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาจิตวิทยาปัญหาความแตกแยกปัญหาการทะเลาะวิวาทปัญหายากรรมปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาศีลธรรมทั้งนั้นมันเป็นอาการเพราะว่าศีลธรรมมันเป็นฐานรากของมนุษยชาติ ปนุษยชาติมันเบี่ยนเบนออกจากศีลธรรมมันก็กลายเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาการเมืองเป็นปัญหาความมั่นคงเป็นปัญหาการทหารก็แล้วแต่จะนับแต่ถ้าคนเหล่า น, นั้นกลับเข้าสู่ศีลธรรมปัญหาทั้งหมดยุติแล้วก็มีการเสนอนะฮวันก่อนว่าสังคมบังขาดแคลนนิดิยตปะก็ใช่ถ้านิริยตปากลับมาได้ ที่เยกตบะเป็นโลกกับปารธรรมเป็นธรรมะคุ้มครองโลกมันก็กลับมาได้แต่ที่นี้ปัญหาในสังคมนี่ว่ามีคนดีมากหรือเปล่าคนดีเขาทำอยู่แล้วเขาไม่สร้างปัญหาอะไรแต่ที่สร้างปัญหานี่คือคนไม่ดีคล้ายๆกับเหตุการณ์ดังสนะามจังหวัดภาคใต้นะเวลนี้ก็พูดสี่จังหวัดก็จริงก็สามจังหวัดนะนะยังไปใส่สตูลเข้าไป ตตูนก็มีอำเภอก็จังหวัดสงขลาขวางอยู่ตั้งหลายอำเภอนะฮะก็เราจะเห็นว่าที่จริงคนไม่มากที่สร้างปัญหาเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนส่วนมากเป็นคนกลุ่มเล็กๆในช่วงตัวนี้เรามีการช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ยเราจะมีการสัมมนาปตาตกถาภิปาลายอะไรแต่อไรเรื่องนี้กันหลายเรื่องนะฮะตั้งแต่ปล่อย ตแต่รัฐบาลเริ่มปล่อยนกนกกรเรียนนกพิราบก็ไม่รั่นกพิราบก็ไม่รู่ก็แล้วแต่ก็พอคนไม่ดีเขาแสดงความไม่ดีออกมาเนี่ยมันก็เถือนสังคมก็เถือนสังคมที่มีคนดีเขาอยู่เนี่ยส่วนคนดีเขาเดือดร้อนเพราะเราจะเห็นว่า พระเทวทัตเนี่ยทําง่ายสมาบเรื่องเหล่านี้ท่านทำง่ายกว่าท่านราะฉนั้นความชั่วเนี่คนชั่วทําได้ง่ายแต่ความดีนี่ยคนดีทําได้ง่ายคือความดีคนคนที่ดีทั้งหลายก็เรียกฝ่ายดีนะครับฝ่ายดีวันก่อนเมื่อวันที่สามต้นเดือนต้เดือนธันวา อาจารย์โรงเรียนสติวิทยาบอกว่านักเรียนมห้าเนี่ยเขาต้องการจะทำวิธีราลึกถึงคุณพ่อจะมีการฟังโอวาทจะมีการอะไรละ่ะถวายสังฆทานอะไรเนี่ยก็ที่น่าสนใจก็คือเรื่องจะฟังโอวาทกับเรื่องจะระลึกถึงคุณพ่อราลึกถึงคุณพ่อ เพราะเด็กก็คิดเองนะที่จริงเด็กพวกนี้มาก็สอนเข้ามาอบรมทางบริหารจิตเข้ามาตั้งแต่มอ .1 นะแต่ว่าพอรับพุทธิบัติแล้วก็ไม่เคยพบกันอีกเลยตอนนี้พวกเธอไปอยู่ม .5 แล้วก็สนใจที่จะฟังแล้วเขาก็ามานิมนต์พอรู้่าอันตมาจะไปเนี่ยก็เด็กมูลนิธสิบพน ปรากฏประขอมาเพิ่มอีกสี่ห้าห้องนะกลายเป็นเท่าไรมากนะฮะกลายเป็นมากขึ้นอันนี้คือคือเราจะเห็นว่าพอเด็กก็ฝ่ายดีแล้วเนี่ยพอพูดถึงความดีมันก็ลากกันมาก็ดึงกันมาเราก็ชื่นชมนะฮะดีใจที่ว่าลูกหลานก็คิดได้คือถ้ามีเชื่อความดีละมันจะง่าย ทำอย่างไรเราจึงต้องปลูกฝังเชื่อของความดีเหล่านี้ไว้ภายในจิตใจของเยาวชนคือมาอยังมองว่าความคิดเนี่ยความคิดมันสับสนอยาโรงเรียนติโกตอมอ็มีโรงเรียนวิถีพุทธนะฮะพราะผู้ว่าคนใหม่มาเนี่ยเปลี่ยนเป็นวิถีธรรมเพราะว่ารองผู้ว่าฝ่ายศึกษาเนี่ยเขาเป็นอิสลาม พระพิธีทํำละหมาดแล้วมันก็เลอะคือหมายความว่าจะเอาเด็กพุทธเนี่ยไปปฏิบัติตัวแบบเด็กกิสลามต้องละหมาดวันละกี่เวลาล อ, อะไรต่ไัเนี่ยต้องสันเสริญพระเจ้าหน้าเสาธงอะไรเนี่ยมันก็หักหานโครงครามนะฮะคือว่าโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยลืมันอยู่ในวัดนะะเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในวัด พอนมือเมื่อมีวิถีของพุทธมันก็มีวิถีอิสลามลูกหลานใครก็สอนกันไปเด็กอิสลามก็แยกตัวออกไปก็ไปสอนอเด็กพุทธก็แยกออกไปในวิชาศีลธรรมเนี่ยไปแยกกันตอนร้องเพลงชาติก็ร้องด้วยกันไม่ใช่ว่าไปเกณฑ์ให้เด็กพุทธไปปฏิบัติตามหลักของอิสลามโดยอิสลามปฏิบัติตามหลักพุทธไม่ได้อย่างงี้มันมันไม่ได้มันเริ่มถึงก็ ทะเลาะกันไปแล้วแตกแยกกันไปแล้ววันวิธีคิดตรงนี้มันจะต้องเคารพในสถานภาพของกันอะไรกันเราไม่ต้องพูดถึงศักดิ์ศรีนะฮะสถานภาพของกนและกันที น, นี้ความความดีเนี่ยคนชั่วก็จะทำได้ยากเขาจะไม่ยอมทำไม่สหัสไม่สากันจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยต้องเสียสละ เราเห็นว่าชีวิตระดับอารม์คติบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะไปรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสอนเรื่งธรรมะให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักธรรมคนมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพามันทยากกันไปเรื่อยๆทีนี้ความชั่วเนี่ยคนชั่วก็ทําง่าย ทำง่ายพูดง่ายคิดง่ายเราก็เครื่องที่เรานึกไม่ออกนะในเวลาที่อ่านข่าวคลาวอะไรต่างๆเนี่ยคือบางเรื่องก็เป็นเด็กเป็นรุ่นลูกหลานเรื่องเราก็นึกเธอไม่ออกนึกเธอไม่ออกว่าทำไมทาไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะทำไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะทำไมเธอคิดอย่างนั้นละ่ทนนละที่มาปรากฏเป็นข่าวในเรื่องบางเรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ถ้ามนต์ตะมาไม่ไม่ยอมหยุดการอบรมเด็กที่ศูนย์พัฒนาจิตที่โคราชเราก็ค่อนข้างแก่แล้วนะฮะก็ยังยั้ต้องไปเพราะนึกเป็นห่วงเธอนึกสงสารเธอเออเธอก็พยายามมาแล้วก็เธอรู้ว่ามีพระมาะอบรมก็ ถ้าเราไม่ไปเนี่ยมันแค่เด็กมันจ ะ, นจะขาดมันจะผิดหวังเราก็ต้องไปอ่ะไปกันมาตั้งแปดเก้าปีแล้วเด็กก็หายไปหลายชุดละคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยทํำยังไงว่าให้มีจิตสานึกที่ดีมีจิตสํานึกที่ดีขึ้นคือทําชั่วได้ยากขึ้นน่ะหมายความความดีเพิ่มขึ้นเนี่ยทําชั่วจะทําได้ยากขึ้น จะทําความชั่วเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําชั่วได้ง่ายขึ้นเราปัญหาเวลานี้ที่เราน่ากลัวเนี่ยวังก่อนเนี่ยสรุปตัวเลขที่จริงก็ขอร้องให้รองผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดต่อประสานงานกับหัวยงานราชการนะขอทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคนน่ยปัญหาที่เกี่ยวกับคนน่ย ผมเกิดมาจากอะไรเราจะเรียกปัญหาสังคมก็ได้นะฮะปัญหาเศรษฐกิจก็ได้ปัญหาการเมืองก็ได้ปัญหาความปันคงก็ได้ปัญหาการศึกษาก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกแล้วสรุปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คนมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มาจากอะไรแล้วเราสาวต่อนะครับว่าศาสนาเองนี่มองอยังไงแต่ศาสนาจะมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ข้อที่ควรจะดีใจก็คือว่าพระเรยะเป็นต้นแบบของการไม่ทำความชั่วก็แสดงว่าการไม่ทำชั่วเนี่ยหรือทำดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้มีคนก็ทำกันเยอะการเว้นจากความชั่วเนี่ยก็เว้นได้เพราะคนเว้นได้กันเยอะ พระเทวทัตเนี่ยมันเป็นตัวอย่างสอนให้เห็นว่าถลํมลึกลงไปเรื่อยๆจนตายไปตกนรกมหาเวจีเขาบอกว่ายือนอยู่ทุกวันเนี่ยยังยืนถูกตรึงด้วยเหลาอยู่นนยนะ เ, เนี่ยแต่อธิบายไว้แรงนะพระเทวทัตเนี่ยถูกตรึงอยู่ที่นรกกวจีอีกนานอีกนานมากๆแต่ว่าบาปมันก็แรงนะ แล้ก็บุญที่ถวายกระดูกคางต่อพระพุทธเจ้าก่อนจะดับจิตเนี่ยมันก็แรงแล้วกันก็ทําให้โอกาสต่อไปท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปฏิจะพระพุทธเจ้าสุปนานมาอัติสระอัติอิสระนะคือว่าสามารถเป็นใหญ่เหนือกระดูกพูดง่ายๆว่าก็คือสระกระดูกคางตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูญชาได้ต้นสู่รตงนี้เป็นเป็นมาตรวัดตัว วิเคราะห์ตัวนตรวจสอบดูว่าเราเป็นคนดีหรือคนชั่วดูตรงเนี้ยเราทำชั่วง่ายหรือทำชั่วยากแต่เราทำชั่วง่ายแสดงว่าเราเป็นคนชั่วถ้าเราทำชั่วยากแสดงเราเป็นคนดีดูกันตรงเนี้ยแล้วมันก็ต้องดูถึงการทำการพูดการคิดนะฮะหมายความมาทำชั่วก็ง่ายพูดชั่วก็ง่ายคิดชั่วก็ง่ายแสดงวา่าไฟต่ำท่านฟังทั้งหลาย